เลยมาประสมกันวันนี้คือการให้เรามาปลึกฝนอบรมจิตอบรมใจของเรา <c oughs> เพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลให้เป็นศีลเป็นธรรม <c oughs> เมื่อกี้นี้เราก็ได้พากันรับศีล การรักเจนเจนคือการรักษากายรักษาวาจารักษาใจมีอยู่สามอย่างคือไม่ให้กายของเราเนี่ไปอิจฉาไปพยาบาทไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นวาจาการพูดด่าต่อเสียดเสียดสี พูดปดหลอกลวงในสิ่งที่ไม่ดีในทางวาจาออส่วนใจคือการเพ่งเลงคิดที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีกับบุคคลคนอื่นการรักษาใจใจตอนนี้เป็นตัวบ่งการ ใช้ไปทางวาจาใช้ไปทางใจถ้าเรารักษาจิตตอนนี้ได้ส่วนกายหรือวาจามันก็ไม่ได้ใส่ว่งไปไม่แต่งไปการจะรักษาจิตตอนนี้รักษาจิตในจิต S <S <S จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นศีลเป็นธรรมมันก็น้อมไปในสิ่งที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลอถ้าจิตที่ไม่ดีจิตที่ตกอยู่ในความสู้ตกอยู่ในอกุกลลุศลนอธรรมมันก็คิดไปในทางที่ไม่ดีปรุงแต่งไปในทางที่ดีไม่ดีนําไปในทางที่ม่ดีทุกสิ่งทุกอย่าง ในสิ่งที่ไม่ดีคือสร้างความทุกข์ให้เกิดให้มีขึ้นกับตัวของเราเองก mm hmm. ารทำดีไม่ใส่ไปดีคนอื่นการทำความสั่วไม่ส่วยไม่ใส่ไปสั่วคนอื่นการทำดีก็ดีอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยการทำความสั่วมันก็สั่วอยู่ที่ตัวของเราเนี่ mm hmm. ท่านจึงให้ลู้จัก ตัวของตัวเองอถ้าเราไม่รู้จักตัวของตัวเองเป็นการที่จะปะปล่อยละเลยในตัวของตัวเองเรียกว่าทอดทิ้งทูละอในตัวของตัวเองให้หมดวันหมดเวลาไปเสียเปล่าๆการที่เราทอดทิ้งทูละในตัวของตัว การที่เราจะได้มาเกิดอืเป็นมนุษย์แต่ละข้างแต่ละคราวไม่ใช่จะเป็นของง่ายออื <c oughs> มันเป็นของยากลําบาก <c oughs> พระเจ้าท่านเปรียบเหมือนกันกับว่าเต่าตัวหนึ่งลอยอยู่ในกลางมหาสมุทรแล้วก็มีขอนไม้ขอนหนึ่งเทลอยอยู่ในกลางมหาสมุทรเหมือนกัน ขอนไม้กับเต่านะ่ะก็อยู่คนละทิศละทางกัน่ uh huh. าเต่าตัว น, นั้น uh huh. จะได้พบขอนไม้เ uh huh. มื่อไร่ uh huh. ก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ทางทิศไหน uh huh. การเกิดของคนเรามันก็ uh huh. ยากเหมือนกัน uh huh. ไม่ใช่จะเป็นของง่ายไม่ใช่ uh huh. ตายแล้วจะไปเกิดเตนโน่นเต้นนี่ uh huh. ่าติพี่น้องทำบุญให้แล้วก็ไปเกิดเป็นโน่นเป็นปนี่อันนั้นมันไม่ใช่บุคคลคนอื่นบุคคลคนอื่นจะทำให้บุคคลอื่นไปเกิดเป็นที่ดีที่ดีที่ชอบนั่นมันเป็นไปไม่ได้เพราะการเกิดการเป็นการตายมันก็อยู่ที่จิตตัวเดียวท่านจึงให้ลูกจิตเห็นจิต ลูกกายเห็นกายากายอนุปัสนาสติปัฏฐานท่านให้พิจารณากายลูกกายเห็นกายว่ากายของเราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยง ม, มันเป็นทุกข์มันเป็นธาตุเป็นอาตา ม, มันไม่เที่ยงเป็นยังไงเที่ยมันเป็นของที่ไม่เที่ยงคือโูกใครใข้เจ็บหรือความเป็ียนความตายของ อัตภาพสังขารร่างกายของคนเรานะมันเป็นของที่ไม่แน่นอนอความตายนั่นไม่เลือกสั้นวันนะไม่เลือกบุคคลไม่เลือกเวลามไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ น, นี่การที่เราพิจารณาถึงความเป็นความตายอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะอัตภาพสังขารร่างกายของเราเนี่ย ม, มันก็เป็นแต่เืียงเครื่องอาศัยของจิต โรคไข้ไข้เจียอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอมนั่นก็เกิดขึ้นในอัตภาพสังขารร่างกายของเรานี่ก็เรียกว่าในอาการสามสิบสองในอาการสามสิบสองโลกที่มันเกิดขึ้นจากผมก็ดีโลกที่มันเกิดขึ้นจากขนก็ดีโลกที่มันเกิดขึ้นจากเล็บก็ดีโลกที่มันเกิดขึ้นจากฟันก็ดีฮเราพิจารณาโอเคไหม โลกต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เราลู่ตัวของเรานะะั้นล่ะคนอื่นลู่ไม่ได้คนอื่นไม่ได้รับความสุขความเมทนานอะไรจากุคนคนอื่นนอกจากตัวของตัวเองโลกที่มันเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> ในตัวของเรานะะั่นแหะ พระพันจ์งให้ลูกจับทุกทุกที่มันเกิดขึ้นในอริยะในอริยสัจทั้งเจก็ทุกหนึ่งสมุทัยหนึ่งนิโรธหนึ่งมรรคหนึ่งพระเจ้าท่านให้ลูกคือมีทุกทุกที่มันเกิดขึ้นให้ลูกจักทุกแต่บางคนไม่ลูกจับทุกทาอะไรอะไรมันก็มีแต่ความสุขความสุข แต่คนนั้นยังไม่ได้เจอเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาความทุกข์ปวดยากความลาบากการร้องให้ร้องโมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น เ, เพราะอะไรเพราะมันห่วงอัตภาพสังขารร่างกายที่พระพันเจ้าท่านแสดงแก่พระพันจวัวกีท่านก็สิทธิรูปตัวนี้แหละให้พระพันจวัวคีรู้ในรูปร่างกาย นี่ไปวมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นอนัตตาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระปัญจวัคคีย์คือพระอาจาโกฏิัญญะท่านก็เข้าใจในธรรมอือัตภาพสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงจริงมันเป็นทุกข์จริงมันเป็นธาดเป็นอนัตตาจริง รูปของเราเองจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างเลยมันว่ารูปนี่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังของเราไม่เป็นตามใจหวังของเราเพรา ะ, ะมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นโรกภัยไา้เจ็บของเราทุกวันนี่ที่มันเกิดขึ้นก็มีเกิดขึ้นด้วยในอาการส า, ารสิบสองเพราะอาการสารสิบสองมันเป็นฐาน ฐานที่เกิดแห่งโลกโลกที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากหนังก็ดีเกิดขึ้นจากเนื้อก็ดีเกิดขึ้นจากเอ็นก็ดีเกิดขึ้นจากกระดูกก็ดีเกิดขึ้นจากเยื่อในกระดูกก็ดีเกิดขึ้นจากม้ามก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างร้อนจะเป็นคมทุกข์ทั้งนั้น <opera> เกิดขึ้นจากเนื้อหัวใจก็ดีโรคหัวใจเกิดขึ้นจากตับมันก็โรคตับ เกิดขึ้นจากฟังผืดมันก็โรคฟังผืดเกิดขึ้นจากไทมันก็โรคใจเกิดขึ้นจากปอดมันก็โรคปอดเกิดขึ้นอะไสใหญ่ผนก็โรคกระเพาะเกิดขึ้นในไส้น้อยก็เรียกว่าโรคลำไส้เกิดขึ้นจากอาหารใหม่ที่เราทานเข้าไปอาหารที่เราทานเข้าไปบางสิ่งบางอย่างมันก็ให้คุณบางสิ่งบางอย่างมันก็ให้โทษการ เนี่ยพร เ, เจ้าท่านจึงการทานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านให้พิจารณาเสก่อนถ้าไม่พิจารณามันจะหลงหลงกับอาหารที่เรอทานเข้าไป mm hmm. เวลามันให้โทษอลยนี่เกิด mm hmm. ท่องร่วงก็มีเกิดเป็นยาเบือ่อยาอะไรเถอะผสมผสอยู่ในอาหารที่เราทานเข้าไปนั่นทําให้กับตายได้รวดเร็ว mm hmm. เพราะ อย่าโรคให้มันเกิดขึ้นจากเพราะอาหารอาหารใหม่อาหารเก่าสมองศีรษะก็ดีโรคในเส้นสมองทุกวันนี่ยโรในเส้นสมองก็ดีโรคด้หัวใจก็ดีเป็นอันตรายแล้วาตายได้รวดเร็วสา <c oughs> หมอรักษาไม่ไมทันการความเป็นความตายของอัตภาพสังขารหลังตาย โลกที่มันเกิดขึ้นจากน้ำดีมีอะไรโลกที่มันเกิดขึ้นจากน้ำดีโลกดีสะอาดโลกนิ่วในถงน้ำดีอะไรบรรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ร้วนแต่สร้างความทุกข์ความยากความลำบากโลกที่มันเกิดขึ้นจากน้ำเหลืองโลกที่มันเกิดขึ้นจากน้ำสเลตน้ำเหลืองน้าเลือด หน้าเงือนมมนนนนนห น, มมน้ามัมนข้นน้าตาอน้าลายหน้า ม, มันเหลืองหน้ามูกน้าพูดน้าในไข่ข้อโลกในน้ามูดโลกในหน้ามุดกับโลกเบาหวานเบาอะไรเบาเหลืองเบาขุนเบาคนหรืออันเป็นเนี่วในถุงปัสสาวะอโลกต่งตางๆที่มันเกิดขึ้น มันบางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดขึ้นด้วยผลกรรมก็นี่บางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดด้วยผลการกระทของเราคืออาหารการอยู่การกินของเราที่เราทาเราทานไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่มันก็ไปสะสมมันก็ไปอะไรกันขึ้นมาสร้างนั่นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างโลกบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้น บางสิ่งบางอย่างโรคที่มันเกิดขึ้นก็พอที่เราจะรักษาให้หายไดบบย้บางสิ่งบางอย่างมันก็ทรมานบางสิ่งบางอย่างมันกถึงตายได้รวดเร็วเนี่ยโรคภัยที่มันเกิดขึ้นในอัตภาพสังขารร่างกายของเราเนี่ยล้วนแต่สร้างความทุกข์ความยากความลำบากให้กับตัวของเราเท่านั้นเวลานี้โรคภัยไข้เจ็บของเราไม่ เกิ ด, ดขึ้นเราเรียกว่าสุขขเวทนาอืมเมื่อโครคไข้ไข้เจ็บขึ้นในอัตภาพสังขารร่างกายของเราในเวลานี้อื ม, อมก็แล้วทุกขเวทนาทุกขเวทนาสุขขเวทนาอืออเวลามีโครคไข้ไข้เจ็บมันก็เป็นทุกขเวทนา เวลาไม่มีโรคภัยค่าเจ็บมันก็เป็นสุขวีทนาออืมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์อันนี้การที่อัตภาพสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตามใจหวังของเราออืรูปของเราจองเป็นอย่างนั้นเถิดคือย่าให้มีรูปมีภัยอย่าให้มีความแก่ความสลาอย่าให้มีอะไรในในสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ไม่ได้เป็นไปตามใจหวังของเราทั้งนั้นมีแต่ ความหวังของเราอยากจะให้มันเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนไปตามใจหวังนี่ความทุกข์ความอะไรสีมันเกิดขึ้นท่านจึงให้รู้จับทุกที่มันเกิดขึ้นสมุ ท, ทยัยสมุทัยคือความคิดความนึกความปรุงความแต่งมเรียกว่าสมุ ท, ทยัยมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไปในสิ่งที่ดีถ้าปรุงแต่งไปในที่ดีมันก็เป็น กุศลแลจิตถ้ามันปรุงแต่งไปในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นอกุศลและจิตท่านจึงให้ลูกจิตเห็นจิตตอนนี้ออื uh huh. กายานุปัสนาสติปัฏฐานลูกจิตเห็นจิตลูกกายเห็นกายลูก uh huh. กายเห็นกาย uh huh. ถ้าเราไม่เพิจารณาดูมันก็เรียกว่ามันก็เพลินเพลินไป อ, อ่ะไม่รู้จับ อ, อะไรเราเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ ก้าวนก้าวายก้าทัพกะ้าวใ่เหตุของมันผลของมันเมื่อก้าวนก้าวายก้าทรัพก้าวใจคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกลัวตายนั่นแหละก้าทัพกะาวใจที่มันเกิดขึ้นคือกลัวตายถ้าเราไม่พิจารณาถึงความเปลี่ยนความตายตอนนี้ เมื่อความกลัวตายตรงนั้นมันกลัวมากเกิดซอกไปก็มีซอกไปก็มีเพราะกลัวตายเพราะกลัวมากมถ้าเราพิจารณาถึงความเป็นความตายตอนนี้โอ้มันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความตายเป็นเบื้องหน้าก่อนความตายของเราจะมาถึงในวันในวันหนึ่งนั่น<ม>เรามีอะไรเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจของเรา เราได้พิจารณาความมีความเป็นในเรื่องของจิตลูกจิตเห็นจิตลูกจิตเห็นจิตจิตที่เป็นกุศลนะจิตจิตที่เป็นอกุศลนะจิตตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะอัตภาพสังขารร่างกายของเราเนี่ยทึงแม่ว่าเราจะรัก เลาจากวงแหนถึงขนาดไหนก็เอาไปใส่ในครบหน้าภบนั่นไม่ได้ก็ใส่อยู่ในภพที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ภบหน้าที่จะไปนั่นมันก็อยู่ที่จิตตัวเดียวอ<ม>ืมีอยู่ที่จิตจิตอมะตะจิตอมะตะจิตที่ไม่ตาย ออกจากลูกนี่แล้วก็ไปลูกใหม่ลูกใหม่นะั่นมันจะดีมันจะสูะ้ก็อยู่ที่จิตตัวเดียวนีอ่อ่นเจอให้ลูกจิตเห็นจิตลูกกายเห็นกายถ้าเราไม่ได้เข้าใจในเหตุอันนี้เรียวกว่าความมืดมน ผลตการของจิตของเรานี่ไม่รู้จับที่ไปไม่รู้จับที่มาความมืดความลุ่มหลงความลุ่มหลงพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ให้เสื้อกมให้เสื้อกาเสื้อผลของกา บุคคลโทธิเสื้อกรรมเสื้อผลของกรรมเรียกเป็นบุคคลผู้ที่เข้าสู่โลกุตตรธรรมเมืองต้นคือพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยสังโยศสามสกายธิธิ พอที่ลงมาการนี้อีกอวิกจิตรศากความลังเลสงสัยสีพัตะปรมาตคือไม่รูปคำศินพจนในรัฐที่อื่นศาสนาอื่นไม่ดูเมื่อดูยาม การที่ดูหมอดูเมื่อดูอย่ันเป็นบุคคลผู้ที่ยังมีความนุ่มหลงอยู่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ภูมิธรรมของพระสอดบันท่านเสื้อกรอำเสื้อกำเสื่อผลของกรอืำเสื้อกรรำเสื่อผลของกรำการทําดีอยู่ที่อดีอยู่ที่ตัวของเราการทํำกรรมตั่วอยู่ที่ ตัวของเราเสื่อกำเมื่อเสื้อกร ร, รู้จักดีรู้จักซั่วเห็นความซั่วนั่นนะมันให้ผลเป็นทุกข์ทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าตัวอย่างในปัจจุบันคือบุคคลผู้ที่เขาทำคุณซั่วได้ไปติดคุกติดตารางเนทรมาน อัตภาพสังขารร่างกายจะไปที่ไหนมาที่ไหนมาก็มันก็ยากก็ลำบากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี่ฮการทำวามสั่วที่มันเกิดขึ้นในผลที่การกระทำของตัวเองที่ทำขึ้นมานี่ฮการที่ทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นนี่พระโสดาบันท่านเห็นตอนนี้โดดเด่นโดดเด่นมาก มีบุคคลผู้ที่จะจ้างให้พระโสดาบันนั่นนะไปทำลายสินไปทำลายสินจะให้ทรัพย์ให้สมบัติท่านั่นล้านเท่านี้ล้านพระโสดาบันก็ไม่ทำไม่รับ เพราะทรัพย์พราะสมบัตินั่นเมื่อตายไปแล้วทรัพย์สมบัตินั่นก็ไม่ได้ติดตัวไปเพราะท่านไข้ควรเกิดไข้ควรผลตัวนี้แต่ผลกรรมตั่วมันอยู่ที่จิตของเราเองรแล้วนี่ท่านจึงไม่เห็นแต่แก่ทรัพย์แก่สมบัติคือเห็นความดีความชอบของเราเองอความบริสุทธิ์ของตัวเองนั่น คือไม่ให้อยาเกิดบาปกรรมทั้งหลายที่จะมีอยู่ในดวงจิตดวงใจนั่นนะไม่ให้มันเกิดขึ้นออืมีแต่จะให้ผลกรรมรทั้งหลายหมดไปจากจิตจากใจคือความโลภหนึ่งคือความโกรธหนึ่งคือความหลงหนึ่งโตมานะหนึ่งโตมิสาทิฏฐิหนึ่งออิสุจน์มูลห้าอย่างเนี่ คือความโลภความโกรธความหลงโตโมณะโตมิจสาทิสติตอนนี้ทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตกไปในทางที่ต่ําอำเราพิจารณาดูสิ <c oughs> เป็นตกไปในทางที่ต่ําจริงไหมเพราะความโลภมากเพราะความโลภมากเพราะความอยากมาก น, นี่มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสมุธฐานอันหเมื่อความโลภมากขึ้นมาแล้วทธนี่มันมาได้ดังสมอกสมใจมันก็เกิดความโกรธความโกรธขึ้นมาแล้วเธอนี่ยความรุ่มหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษมันก็เกิดขึ้นโตมานะ คือความถือตัวถือตนเป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองนี่มันก็เกิดขึ้นมิสาธิทฐิความเห็นผิด อ, อ่าที่ที่ทำให้สรพพสัจทางหลายตกไปในทางที่ต่ำเพราะอกุศลมูลห้าอย่างนี่โมคคนใดที่ทำลายคือ ความโลภมันลดน้อยถอยลงถึงแม้จะมีอยู่แต่ก็พยายามทำให้ลดน้อยถอยลงให้รู้จับความเกงกลัวต่อบาปทั้งหลาย ม, มันก็ค่อยลดน้อยถอยลงการลดน้อยถอยลงเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทำให้ตัวของเราเ น, นั่นนะเกิดความเบา อ, อกเบาใจขึ้นมามเกิดความเบา อ, อกเบาใจขึ้นมามความโกรธ Uh huh. มันก็ไม่เกิดขึ้นฮ uh huh. ความโกรธขึ้นถึงเพราะเห็นโทษอ่เราโกรธขึ้นมาเมื่ อ, อไรเราได้คิดแอ น, นาดูไหมที่มันโกรธขึ้นอ uh huh. แต่ละครั้งแต่ละคราวที่มันเกิดขึ้น uh huh. อัตภาพสังขารร่างกายของเราเลอดเหมือนกับไฟ uh huh. ลอดเหมือนกับไฟ uh huh. เพราะความโกรธพ uh huh. ระ เ, เจ้าท่างแสดงด้วย uh huh. ไฟคือโทสะ ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอืมันเกิดขึ้นมันก็ร้อนเนี่ยท่านจึงแสดงว่า <c oughs> เป็นของร้อนเมื่อรู้จักจก็เป็นของร้อนเราก็พยายามค่อยหยับยั่งสร้างใจที่มันเกิดขึ้นอะไรอะไรทุกสิ่ทุกอย่างเราก็พยายามหยับยั่งสร้างใจของเราไว้เราอย่าไปปล่อยตามเออเลยตามอความโกรธความอะไร เราทําไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเอาคืนไม่ได้อย่างสมมุติวอกค่าคนตายจะเอาคนคนนั้นคนืนขึ้นมาก็เอาคืนมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนโกรธของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสมมตฐา น, นการที่เราจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องใส่สติใส่ปัญญาตรกตรองในเหตุในผลเะก่อน ถ้าเราไม่ใช่สติปัญญาต้องในเหตุในผลของเราเนี่ยเราอาจจะทําให้ผลกรรมหนักทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราก็ได้นนไท่านจนะึงให้เสื้อกรรม <c oughs> เสื้อผลของกรรมเมื่อเสื้อกรรมเสื้อผลของกรรมแล้การกระทําอะไรของเรามันก็ค่อยอลด น, น้อยถอยลงไปตามสติตามปัญญาที่เรา รูปโทษของมันลูปภัยของมันไม่ใช่เหรอเราจะไปละความโลภไปละยังไงเราไปจะไปละความโกรธเราไปละยังไงเ้าไปละเราจะละความหลงเราจะละยังไงเราจะละมานะเราจะละยังไงเราจะละมิจฉาทิฏฐิเราจะละอะไรยังไงเพราะความโลภความโกรธความหลงโตมานะ ไม่ได้เป็นตนเป็นตัวไม่ได้เป็นบุคคลอืมเราจะไปละเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากจิตจากใจคือเป็นนามธรรมอันหนึ่งจิตก็เป็นนามธรรมอันหนึง่งอกุศลนะจิตมันก็เป็นนามธรรมอันหนึ่ง <Shall? S 1> หรือกุศลนจิตมันก็เป็น น, นามธรรมอันหนึ่ง คือการที่เราลู่จับโทษของมันลู่จับใครของมันลู่จับอันตรายของมันออืเราไม่สร้างเราไม่ทําให้เกิดให้มีเกิดในดวงจิตดวงใจของเราเพราะเราลู่โทษของมันแล้วลู่ใครของมันแล้วลู่อันตรายของมันแล้วนี่ก็คือการละการถอนการปล่อยการวางออื ไม่ใช่嘛เราจะไปเอาสัตตาอาวุธอะไรจะไปฆ่าไปประหารไปประหารความโลภความโกรธความหลงมันไม่เห็นอะไม่เห็นเป็นตนเป็นตัวจะไปฆ่ามันได้ยังไงไจะไปทําลายมันยังไงไปประหารประหารมันได้ยังไงคือการประหัรประหารกิเลสคือตัวปัญญาถ้าเป็นสัตตาอาวุธก็คือตัวปัญญา อืมฮะไม่ใช่สัต้าอาวุธคือดาบเพอิงพวกปืนพวกอาวุธสงครามคือตัวปัญญานั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสมมฐานที่จะทำลายกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในดวงจิตดวงใจของเราเมื่อเราลู้เหตุลู้ผลตามความเป็นจริงอย่างนี้ เราก็รู้จักละจักขอนจักปล่อยจักวางจิตใจของเรามันก็ค่อยเยือกเย็นขึ้นมายิ่งเราเห็นได้ละเอียดเท่าไหร่ปัญญาเราลู่แจ้งละเอียดเท่าไหร่ควรเลือกความเย็นความสบายก็ต้องมีตามเทเราลู่รอเห็น การสติตามปัญญาของเราเน่ะจนหมดชิ้นไม่มีเศษไม่มีเหลือแล้วท่านเขาเปรียบมันเหมือนกันกับว่าสร้างกับครสร้าง สร้างนัท่านเปียกเปียบเหมือนกับจิตควรสร้างท่านเปรียบเหมือนกับกิเลสเ uh huh. พราะควรสร้างนั่นอือยากให้สร้างไปทํางานให้อะยากไปทั้งไหนมันก็ใส่คอไปไม่ไปก็ uh huh. ขอสอบไปอื uh huh. แทงไป แต่พอจิตมันรู้เหตุรู้ผลวางตัวกิเลสมันขีคอเราอยู่มันก็รู้จักสลัดสร้างก็รู้จักสลัดในควนันสั้นมันให้ตกลงแล้วก็ทำลายเสียเหมือนกับเท่เขาลงข่าวกันอยู่ทุกวันเที่เราได้ยินข่าว สร้างตกมันมันฆ่าคนสร้างฆ่าคนสร้างตายมันก็หนีไปที่อื่นมันก็ได้รับความสุขความสบายมันไม่มีบุคคลใดที่จะมาบีบมาบังคับในดวงจิตดวงใจได้อันนี้ก็เหมือนกันคือกิเลสที่มีอยู่ในดวงกิตดวงใจของเราเนี่ยนะเรารู้จับโทษรู้จับภยัยรู้จับอันตรายของมันเราก็รู้จับสลัด การสลัดก็เรียกว่าเราไม่ทําตามกิเลสไม่ทําตามกิเลสที่มันพาคิดพาไปพาตึกพาตองไปในสิ่งที่ไม่ดีออสลัดออกไปจากกิจจากใจนี่แต่ใจกับธรรมที่นี่มีแต่ใจกับธรรมธรรมคือความสุข <BS> จิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตจิตเป็นศินสินเป็นจิตอันนี้ของพระอาเรียเจ้า <BS> นับแต่ภูมิธรรมของพระโสดาบันขึ้นไป <BS> พระโสดาบันมีศินห้าเป็นประจาจิตประจาใจ เรียกว่าจิตเป็นสินสินเป็นจิตเจตไม่คิดที่จะไปทำบาปทำกรรมเพราะเสื้อก ร, รมเสื้อผลของกรรมเมื่อเสื้อก ร, รมเสื้อผลของกรรมคือเสื้อบนเสื้อบาสน่ะมันก็เรียกว่า วิจิตรศาความลังเลสงสัยตัว น, นั้น่ะมันไม่มีในดวงกิดดวงใจของพระโสดาบันไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปไม่สงสัยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในเรื่องภพเรื่องชาติไม่สงสัยในเรื่องพ ร, ง ร, รมสสเรื่องพังพนพิพาน เป็นผู้มองเห็นซึ่งพระนิพพาน แ, แต่พระสวสดิบันเหมือนกันกับว่าอยู่บันไดขั้นแรก hmm. มุคคลผู้ที่สำเร็จเป็นพระสวสดาบันมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆมาขึ้นไปคือพระสกิธาคาพระอนาคา hmm. พระอาหารหันต พระโสดาบันเวียนไหวตายเกิดไม่เกินเจ็ดสาสตร์และไม่มีสาตร์ที่แปดแต่การเกิดของพระโสดาบันนั้นที่มีการเกิดอยู่นั่นคือผลกรรมกรรมส่วที่ทำไว้ในอดีตสาสต ร, ร์ มันก็ให้ผลส่วนกายไม่ได้ให้ผลส่วนจิตอืมพระฤๅเจ้าเพราะจิตเป็นเสินสินเป็นจิตจิตเป็นธรรมธรเป็นจิตแล้วกรรมั่วให้ผลส่วนจิตไม่ได้ให้ได้แต่ส่วนกาย อ, อืเมื่อกายนี่ไม่มาเกิด ไม่มาแก่มม่มาเจ็บมมนมาตายวันไหนผลกรรมส่วนก็อนทำสนองไม่ได้นี่ ก, การจิตของพระยเเาจ ม, ม, ม, มีการเวียนไหวตายเกิดเรียกว่าพระฤ เ, เจจะตายด้วยนิยาบทอันใดก็ไม่ต้องสงสัย ถูกเขาฆ่าเขาฟันเขาหรืออุปัติเหตุอุปิภัยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องสงสั ย, ยมีสุขติเป็นที่ไปแต่สิ่งที่เป็นปุถุชนปุถุชนเราเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้ นอนแน่นอนไม่ได้เพราะอะไระเพราะจิตมันมีสองแง่สองทางอยู่บางครัง้งบางคราวมันก็เราเลื่อนถึงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นศีลเป็นธรรมบางครัง้งบางคราวมันก็เราเลื่อนถึงความสั่วฮะหลงไหลอยู่กับความสั่วอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึง ไหวเนื้อเชื่อใจไม่ได้บุคนลพวกที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ออื uh huh. เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่ทําเอาไว้ uh huh. บางครั้งก็ให้ผลทางกายบางครั้งก็ให้ผลทางใจออื uh huh. มันให้ได้เพราะมันอยู่ที่จิตจิตตัวนั่นออมันอยู่กับขมขื่อตัวนั้นเนี่มันเป็นเหตุเป็นใจอ่นเนี้ย เราควรเข้าใจในเหตุในผลในเรื่องของการเป็นการตายเมื่อจิตไปปฏิพักอยู่ตอนจับเส้นลมหายใจเกิดไปปฏิพักกับคมส่วะวิปากะธรรมาในวาวิปากะนาวีปากะธรรมะคือวิบากรรมที่ทำเอาไว้ในอดีต มันจะมาให้ผลมันก็มาในไปในทางที่ต่ำอ๋อคือวิบากกรรมอันนี้การที่พระ เ, เจ้าของของเราที่ท่านได้แนะนําัฒาสอนเอาไว้ทึกสิ่งทุกอย่างให้เราทําดีใส่ตัวเอาไว้แน้ว่าให้เราลึกอยู่ในสิ่งที่การกระทําของเราที่เราได้ทำบุญทำทานกานรกุศลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้เรา เราลึกถึงบุญถึงกุศลที่เราทำเอาไว้ออืก่อนจะสิ้นลมหายใจท่าในให้ละลึกในสิ่งที่ดีเอาไว้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีเอาไว้ เ, เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีของเราเอาืมถึงแม้จะสิ้นลมหายใจไปเราก็ไปสุขติอันนี้สําหรับบุคคลผู้ที่เป็นโลคีอยู่ ที่เป็นโลเกียอยู่พระเจ้าท่านจึงยังไหวใจไม่ได้เพราะกระแสจิตของคนนั้นเวลานั้นมันจะคิดอะไรมันจะปรุงมันจะแต่งไปอะไรตั้งทีดีที่สอดนี่ถ้าหากว่าเราในภูมิธรรมของพระโสดาบันแล้วเนี่ยส ก, กายทิฏฐิวิจิตรสาสีพัตตะปรามาตคือเราไม่รูปคำสินพจน นอกแกวพระพุทธศาสนาลัทธิอื่นศาสนาอื่นออะไรตัวทุกเสียงนั่นนะพระโสดาบันเข้าใจในเหตุในผลตามควมามเป็นจริงอืตามความเป็นจริงอันนี้เมื่อลู่เหตุลู่ผลตามความเป็นจริงอนี่พระโสดาบันจึง ไม่มีในสีตะพละพละามาัดเขาจะว่าอะไรอะไรในสิ่งที่เป็นมงคลเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลบางสิ่งบางอย่างเขาก็พูดต่อนีอย่างโน้นอย่างนี้เป็นมงคลอย่างโน้นอย่างนี้เป็นอภ ะ, ะมงคลย่ยพระโสดาบันท่านไม่เสื่ออืมไม่เสื่อมองคลเหล่านั่นคือมองคลก็อยู่ที่ตัวของเราพระโสดาบันหล้ว คือความดีนั่นแหละเป็นมงคลที่ดีคือความได้รูกแจ้งเห็นจริงในธรรมนั่นแหะน่นรักคือเป็นมงคลอันแท้จริงของบุคคลราไม่ใช่จะไปเสื้อตามเขาเขาว่าสิ่งนั่นมันเป็นมงคลสิ่งนี้มันเป็นมงคลแต่ก็ต้องดูเสียก่อนใขรควรพิจิตรณาดูเสียก่อน ใส่เหตุใส่ผลดูเสีย ก, ก่อนว่ามันเป็นมงคลจริงหรือไม่เป็นมงคลจริงบางคนทำมงคลอย่างนั้นทำมงคลอย่างนี้แต่บุคคลคนนั้นเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็มี อ, อ, อ, อนี่อ่ะกา ร, ทรเทพาเหลียเจ้าได้มาพิจารณาเห็นในสิ่งที่มันเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล เพือรู้เฉพาะตัวเองปัิจจังรู้ได้เฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตนปัจจตังปัจจจังที่เราไหวพระทาวัดเช้าทําวัดเย็นปัจจังเวทิตาโพวินโยหิติอันวินโยสนทั้งหลายเพึ่งรู้แจ้งเฉพาะตัว เฉพาะตนคือรู้ด้วยตนเองการกิเลตัณหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเท่มันหมดไปจากจิตจา ก, กใจของเรานะเราลู่ตัวของเราคนอื่นเขาไม่ลู่ไม่ได้เขาไม่เห็นเขาก็ลูรู้แต่ตัวของเขาออืเขาก็ลู่แต่ตัวของเขาอืเนี่การเท่กับเข้าใจในธรรม มันเป็นของละเอียดมากถ้าจิตใจของเราไม่หนิมจริงไม่ละเอียดจริงยากเพืจะรู้ให้ลึกซึ้งสุขุ ม, มถ้าจิตใจของเรามันรูเ้เผลอๆมันก็รู้แต่เผนอๆความเผนอๆเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกันกับว่าต้นไม้ต้นไม้มีทั้งสกเก็ด มีทั้งเปียกมีทิ้งมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นอือสเก็ตของไม้บางทีสัตว์ทั้งหลายด้วยคานขึ้นไปปีนป่ายอะไรสเก็ตมันก็ตกลงมาได้แต่เปียกมันก็เข้าไปลึกหน่อยกระพี้มันก็เข้าไปลึกหน่อยแก่นก็ เข้าไปอยู่ใจกลางนั่นอันนี้การเทเราประพฤติเราปฏิบัติทร ม, มาเขาก็จึงเป็นสั้นๆไปเปรียบเหมือนกับพระโสดาบันพระสะกีทาคาพระอนาคาพระอาหารหันต์พระสะกีทาคาเนี่คือการมราคาปฏิคะละได้อย่างหยาบแต่อย่างละเอียดยังมีอยู่ อ, อย่างละเอียดยังมีอยู่ไอย่างลึกไปกว่า น, นั่นอีกยังมีอยู่ถ้าอนาคามีหรือกามรมะขคปฏิคะทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดหมดไปสิ้นไปมมมมหมดไปสิ้นไปถ้าอนาคามีดับขัน ในภพที่ได้สำเร็จนันก็ได้ไปเกิดในสุธวาสสั้นได้สั้นหนึ่งตามภูมิของจิตตามภูมิของจิตแล้วก็ปณิพันธ์ในชั้นนั้นคือความละเอียดของลูก นี่คือความละเอียดของรูป mm hmm. เมื่อเข้าใจในรูปให้ละเอียด mm hmm. นี่ mm hmm. นะก็จะเข้าอยู่ถึงขั้นพระอาหารหัน mm hmm. mm hmm. พรนิพพานคือไม่มีรูปทานามธรรม ไม่มีลูกทำนาท้ำทำแต่บุคคลพวกที่เขาเห็นว่าพระนิพนพานยังมีลูกอยู่บางคนก็ไปเห็นว่าพระเจ้าองค์นั่นพระเจ้าองค์นี่ อ, อยู่ที่นัน่นอยู่ที่นี่นี่คือความเห็นผิด คือความหลอกลวงบุคคลคนอื่นที่เขาไม่รู้เขาไม่เห็นท่านพระเจ้าที่ท่านแสดงว่าอย่างไงนิพานังปรมังสูนยังพระนิพานเป็นของศูนย์คือศูนย์ที่ไม่มีรูปธรรมนามธรรมพระอรหันต์ดับขันประนิพานที่ไหน คือที่นั่นอ่ะคือพันอิผ่านจะไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่ไม่ใช่ไม่มีท่านเปรียบเหมือนกันกับว่าเราจุดเทียนขึ้นไฟที่ไหมอยู่ในใยของเทียนตัวเนื้อเทียน <c oughs> มันเป็นเหมือนกับอัตภาพสังขารร่างกาย <c oughs> เมื่อไฟน่นมันดับ มันหมดแล้วบดเสื้อแล้วนั่นเอมันหมดเสื้อแล้อหมดเนื้อเทียนละไฟนั่นอ่ะไปเกิดที่ไหนใครลูกใครเห็นอ่ะไฟนั่นไปเกิดที่ไหนไม่รู้ไม่เห็นคือเปรียบเหมือนอย่างนั้นคือพันธุอีฝานที่เห็นลูกนั่นลูกนี่อยู่ น, นคือการหลอกการลวง คือไม่มีใครที่จะลู้เหมือนกับตัวเองแต่มุคนคนอื่นที่ท่านปรพฤษาปฏิบัติดีปฏิบัติตตสอบเข้าใจในเหตุในผลมันอาจจะมีอยู่คนเราไม่ลู้กันไม่เห็นกันอ่า น, นี่การเข้าใจในเรื่องของพราิปานมีคนสักส่วนไปดูพระเจ้าอย่างโน่นอย่างนี้มันทุกจริงทุกอย่าง มันเป็นแต่เพียงของการหลอกลวงเท่านั้นเพราะพระนิพพานไม่มีลูกทมนามทำถ้ามีลูกทมนามทำอยู่จะบรรลุอะไรมีประโยชน์อะไรกับการบรรลุธรรมไม่มีประโยชน์เพราะมีลูกอยู่มันก็ต้องเกิดอยู่เมื่อมีเกิดอยู่ก็เรียกกับการบรรลุธรรมไม่มีผลอะไร แล้วการปรับพฤติการปฏิบัติทมของเราทำไปเพื่ออะไรนี่ถ้าพระนิพพานมีลูกทำนำทำคือความเห็นผิดของบุคคลคนนั่นเองอนี่ฮเราต้องเข้าใจให้มันถูกต้องการที่เราจะเสื่อ บุคคลผู้ที่เขาพูดเราก็ต้องใส่ข้อคิดข้ออ่านข้อตือข้อตองในเหตุในผลของเราให้มันแจ่มแจ้งซะก่อน <c oughs> หรือว่าเราไปหาถามบุคคลผู้ที่ <c oughs> ท่านผู้รู้ผู้ที่เป็นบันฑิตอันแท้จริง <c oughs> เราก็อาจจะเข้าใจได้ <c oughs> เราก็จะละความหลงต่อนน้นได้ เมื่อเราละความโลภความโกรธความหลงโอมนาโอมิสาทิฏฐิตานั้นหมดไปจากจิตจากใจของเราแล้วนั่นน่ะคือความสุขของเราที่จะเกิดขึ้นคือจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตจิตเป็นสินสินเป็นจิตนี่ส่วนอัตภาพสังขานร่างกายก็เป็นกุศลธาต กุศลธาตุเนี่ยาธาตุของพระและเจ้าที่เป็นพระธาตุที่เป็นพระธาตุพระธานเนี่ยธาตุที่เป็นธรรมธาตุาที่เป็นเพราะอะไรพออเพราะมันก็เนื่องจากจิตอนี่จิตที่ไม่มีอะไรในดวงจิตหรอกถึงไม่มีกิเลสความโลภ ค, ความโกรธความหลงตัวมโนตัวมิจฉาทิฏฐิตัวนั่นมันไม่มีดวงจิตดวงใจแล้วอรเนี้น ความแจ้งความสว่างของจิตความสบายมันก็เกิดขึ้นคือความสุขเรียกเราเป็นตัวของตัวเราเป็นตัวของตัว เมื่อเป็นตัวของตัวนั่นคือความสุขที่ เ, เรายังไม่เคยพบเคยพบเคยพอ้อเคยเห็นอืไม่เหมือนกับกิเลส ข, ของเราที่มีอยู่ในดวงจิตดวงใจโอ้ที่กิเลสมีอยู่ในดวงจิตดวงใจของเรานั่นน่ะมันบีบมันบังคับมันใช่เราทําอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอืถ้าไม่ทําตามของมันจะนี่ มันก็เกิดความโกรธเกิดความไม่พออกพอใจอะไรขึ้นมาเมื่อกิเลตัวนั้นมันหมดไปจากจิตจากใจของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มีความสุขความสบายเนี่ยการที่เราได้เข้ามาป่าพื้เข้ามาปฏิบัติในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการให้ทานนั่นคือ ทำให้เกิดโภคาทรัพยออ์สมบัติที่จะทําให้เรายังมีพบมีชาติอยู่ออมีพบมีชาติอยู่ในพบหน้าชาติหน้าเราก็ต้องอาศัย อ, อืบุญกุศลทีเราได้ทำบุญทำทานขานกุศลไว้อะนนี่เพราะอะไรเพระอัตภาพสังขารร่างกายออ่มันก็ต้องมีเครื่องอุปโภคบริโภค ถ้าอัตภาพสั้งฐานร่างกายไม่มีเครื่องอุปโภชกบริโภคมันก็อยู่ไม่ได้ น, นี่พระเจ้าของเราท่านที่ท่านปาถนาเป็นพระพุทธภูมิขั้งแรกกับพัะทีปางกรพุทธเจ้านั่นท่านก็เข้าสมาธิมาพิจารณาทำทำข้อไหนที่จะทำให้เราได้ ตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าก็มีทานะบา ร, รมีอยู่นี่แหละตัวนี่แหละคดขึ้นมาก่อนตัวทานะบา ร, รมีเนี่ก็ดูเหตุดูผลดูข้อสิ่งที่มันเป็นไปโอ้โหอัตภาพสังขารร่างกายของเรากรีของบุคคลคนอื่นแลสัตว์อื่นก็ดี มันก็ต้องอาศัยเครื่องอุปปโคกบเลโคกแม้แต่ต้นไม้ก็ยังได้รับปุ๋ยรับน้ํารับน้ํารับปุ๋ยเป็นเครื่องบงํารงบําเรอในโต้ของมันเนี่ยอัตภาพทั้งขาแร่างกายของคนเราก็เหมือนกันก็ต้องมีเครื่องอุปปโคกโบเลอคกเป็นที่อาศัยของร่างกายอืม ออืต่อจากท่านเรามีการมีศีลศีลคือการรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราออืโตปัญญาไข้ควนเหตุไข้ควรผลออืเหตุดีผลดีเหตุสั่วผลสั่วออออืืเหตุดีเราก็ทําแต่ในสิ่งที่ดีเหุสั่วผลสั่วเราก็อย่าไปทําเนี่ยการที่เราจะสร้างบา ร, รมีของเราให้แก่ก้าวก็ต้องอาศัยตัวบา ร, รมีตัวนี้ โตปัญญาพลัมีต่อนี้อาศัยปัญญาพลัมีต่อนี้ใข้ควนเหตุใข้ควนผลเมื่อปัญญาต่อนี่มันใข้ควนเหตุไข้ควนผลรูล้จักตามความเป็นจริงจะมีบุคคลคนอื่นเเข้ามาพูดว่าสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญบุคคลคนนั้นก็ต้องใข้ควนดูมันเป็นบาปจริงหรือมันเป็นบุญจริงหรือ ก็ไข้ควรเหตุไข้ควรผลเมื่อไข้ควรเหตุไข้ควรผลแล้วมันไม่เป็นเหมือนอย่างความที่พูดเขาก็ไม่รู้เสื่อเขาไม่เสื่อเขาไม่เสื่อพอพิจารณาดูแล้วไม่ใส่ทางไม่ใส่หนทางือการที่คนเราที่จะสร้างวารมีของเราให้แก่ก้าวอะไรต้องใส่ตัวปัญญาปรมีตัวนี้ไข้ควันเหตุไข้ควรผล ตื่นตองให้ที่ท่วนเราก็น้อมนำเอาไปประพฤชเอาไปปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราเราก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญอเอวังก็มีปรกการื่ออันนี้